อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรัปอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้า ว, วันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2557ค่ะวันนี้เป็นวันแรมสา่ําเดือน12นะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบน้ำพสการ์พระอาจารย์พระมหาภัยบูล์อภิปุนโนพระอาจารย์องค์ปาถกปร ะ, ระจํารายการธรรมรัปอรุณ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคะ่ะซึ่งทราบกันดีว่าท่านอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกตำบนรดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะพระอาจารย์เป็นผู้อำนวยการของศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการหริกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสนาจากพุทธโอษแบบปิดวาจาแล้วก็เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนหโศก แล้วเราก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดรสะอาดทิ่ตัวผาโซหรือท่านพระครูสิทธิปภากรนท่านเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็เป็นองค์พระอาจารย์ในหลักสูตรด้วยรวมทั้งเป็นที่ปรึกษาอะไรต่างๆมากมายเลยนะคะขอนํำท่านผู้ฟังมากราบน้ำพระสการพระอาจารย์พระมหาไ พ, พบุญอภิปุโนของเรากันดีกว่านะคะกราบน้ำพสการเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขาเสาธุเจ้าขา้าช้าววันอาทิตย์มีปัญหาหรือรว่ามีคําถามสอง ของท่านนะเจ้าค่ะมามกราบน้ำสการเรียนถามพระอาจารย์เริ่มด้วยคำถามของคุณทวิตนะเจ้าคะก็เป็นเรื่องที่ดิยมคิดว่าเกิดขึ้นในหลายๆบ้านนะเจ้าค่ะก็คือคุณทวิตบอกว่าที่บ้านเนี่ยมีหนูเยอะมากเลยก็มาสร้างความเสียหายให้กับเครื่องยนต์ของทางคุณทวิตนะเจ้าคะคุณทวิตก็เลยใช้แผ่นกาวดักหนูเนี่ย โดยที่ว่าไม่ได้วางเศษอาหารใดๆไปล่อเหยื่อเลยเพราะว่าไม่ต้องการที่จะฆ่าหนูนะเจ้าคะเพียงแต่ว่าอยากจะดักไม่อยากให้เข้ามาที่เครื่องยนต์ของตัวเองเนี่ยแล้วก็สำหรับคุณทวิตก็คิดว่าถ้าหนูมาติดเนี่ยแล้วไม่สามารถจะแกะออกได้สองวันต่อมาหนูมันก็จะตายนะเจ้าคะอย่างนี้เนี่ยคุณทวิตถามว่าถือว่าเป็น ปาณาติบาตใช่หรือไม่มและทุกวันนี้เนี่ยก็ยังวางแผ่นกาวในห้องเครื่องของรถยนต์อยู่และก็ที่ล้อรถ ด, ด้วยนะเจ้าค่ะโดยที่ไม่ได้วางเหยื่อล้อนะแต่ว่าพางวางแผ่นกาวดักหนูเนี่ยนี่การเอาแผ่นมาวางอย่างนี้โดยไม่ได้ต้องการอยากที่จะให้หนูมันมาติดก็เท่ากับว่ายังคงทำบาปอยู่ใช่หรือไม่เนี่ยเจ้าค่ะก็ขอ บาปน้ำพรสการให้พระอาจารย์ได้ชี้แจงตรงนี้นิดนึงนะเจ้าคะบาปไม้ก็ตอบแบบไม่เอาใจกันแหละก็คือว่าบาปแน่นอนเชียค่ะคือหมายก็ว่าจะมีหนูมาใช่ไหมเจ้าคะคือหมายความว่าการเอาบาปก่อนคืออะไรก่อนนะบาปคืออะไรหรือบุญเกิอะไรก่อนใช่ไหมบาปก็คือความคิดที่จะไปเบียดเบียนเขาความคิดที่จะเป็นความพยาบาทความไม่พอใจความคิดในทางที่จะเป็นเป็นความรุ่มหลงเนี่ยพวกนี้เป็นเป็นบาป นะส่วนบุญก็คือความคิดที่จะมีเมตตาความคิดที่จะเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่ความคิดที่จะไม่เบียดเบียนความคิดที่จะให้ความปรารถนาดีให้แก่กันและกันอันนี้คือบุญนะ <c oughs> คือคือถ้าพูดลักษณะนี้ก็คือมันก็ตรงข้ามกับบุญน่ะตรงข้ามกับบุญบาปไหมบาปอยู่แต่แต่ก็ไม่มากเท่าไหรนะ่ไม่มากเท่าไหร่ถึงขนาดว่าไปฆ่ามันคือแบบถ้ า, ถ, าถ้าเห็นตัวเป็นๆแล้วเอามีดเฉาะให้เลือดมันสาดออกแล้วก็สาใจอ ย, อย่างเงี้ยโหนี่บาปมาก ใช่ไหมครัแต่ว่าเราเราใช้หลีกเลี่ยงในการที่จะไปถึงจุดตรงนั้นนะก็โดยการใช้เครื่องมือเครื่องมาดในการป้องกันอันนี้ป้องกันได้ ค, คือคือควรจะต้องทําแต่ว่าป้องกันในลนักษณะที่จะไม่เบียดเบียนมันอันนี้ต้องคิดวิธีนิดหนึ่งนะคือแน่นอนการป้องกันด้วยกรณีขอคุณทวิตเนี่ยใช้แผ่นกาวนะซึ่งแน่นอนแล้วมันก็มาติดได้ถึงแม้เราจะไม่วางอาหารก็ตามเอถ้ามันติดแล้วมันมันมันติดแล้วมันตายเนี่ยมันก็จะต้องตายนะ ถามว่าอันนี้บาปไหมก็ก็มีส่วนแห่งบาปอยู่ะนะแล้วก็แต่ว่ามันจะทําให้เราไปตกนรกไหมด้วยบาปกรรมอ น, นี้ก็คงจะไม่ถึงขนาดนั้นนะนี่คือในความเห็นอาตมานะในความเห็นอาตมาเพราะว่ามันก็เป็นบาปเกิดขึ้นอยู่มันก็นิดนหน่อยนะมีอยู่แต่ถ้าทําบ่อยทํามากทําทุกวันทําเป็นสิบปียี่สิบปีนะหรือหลายๆครั้งเนี่ยาบางทีก่อนตายเราอาจจะไปคิดตรงนั้นมันก็จะไปตกนรกได้นะ เพมันก็ไม่แน่ไม่นอนไม่แน่ไม่นอนเพราะฉะนั้นเราก็ทําบุญด้วยนะทำบุญให้มากๆคือไม่ใช่ว่ามันจะชดใช้กันได้นะแต่ว่าเราก็อย่างบ้านแหละอย่าไปเบียดเบียนมันอะความคิดที่จะไปเบียดเบียนมันก็อย่าให้มีค่ะทีนี้ว่าแล้วเราจะแก้ปัญหายังไงหนิงก็ควรจะหาวิธีป้องกันนะป้องกันไม่ให้อมันมาทําลายทรัพย์สินของเราแต่คือไม่ใช่ถึงขนาดสุดโต่งว่าเอ้าหนิงก็เปิดให้มันอยู่เต็มที่เลยนะสร้างห้องให้มันอยู่ คือมันก็มีห้องอยู่ของมันใต้หลังคามันก็อยู่เต็มที่ของมันอยู่แล้วใช่ไหมหรือว่าไปอยู่ร่วมกับมันอันนี้มันก็จะเป็นภัยอันตรายเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บใช่ไหมหนูมันก็จะนําเชื้อโรคต่างๆมาด้วยเราก็ต้องมีวิธีป้องกันซึ่งวิธีป้องกันทําอย่างไรล่ะถึงมันจะไม่ไปเบียดเบียนมันคือบางคนอาจจะมีความคิดว่าไอ้ที่เราป้องกันไม่ให้มันมีอยู่เนี่ยเรียกว่าเบียดเบียนมันมันอยู่ข้างนอกมัจะเจอสัตว์ร้ายมันอาจจะหนาวมันอาจจะเจอฝนอถ้าเราไปคิดถึงขนาดนั้น แต่เราก็คงจะต้องมีที่พิเศษให้มันก็เลี้ยงหนูซะนะ <Brenda> แต่ถ้าบอกว่าเราไม่ได้ไปคิดถึงขนาดนั้นเราก็หาวิธีการป้องกันที่ อ, อยังไงที่จะมันมันจะไม่ตายอืยะจะใช้สารเคมนะีถ้าคือสารเคมีเนะถ้าไม่โดนตัวมันนะหรือไม่ได้ให้มันเปลักษณะกินแต่ว่ามันดมๆแล้วหนีไปอย่างเงี้ยอันนี้ก็เวิร์กเหมือนกัน <BR> ก็สามารถใช้งานได้แล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของหนูอคุณเดิใจมันเรื่องของปลวกด้วยเหือนกั บางคนก็จะถามว่าเอ้ยเราฉีดน้ํายาฆ่าปลวกได้ไหมฉีดน้ํายากันมดได้ไหมพวกเนี้ยเี่ยคือถ้าฉีดไม่โดนตัวมันะฉีดป้องกันเอาไว้ก่อนอันนี้ก็ไม่ถือว่าผิดศีลละเพราะว่ามันไม่ได้ตายตรงนั้นใช่ไหมเราไม่ได้เห็นมันตายเราไม่เห็นมันได้รับความทุกข์ทรมานแต่ถ้าบอกว่ามันสัตว์พวกนี้ถ้ามันมาโดนใกล้ๆแล้วเนี่ยมันรู้ว่ามันจะเป็นอันตรายมันก็จะหลีกไปโดยสัญชาตญาณของความเป็นสัตว์ของมันทีนี้ถ้าเบอกว่ามันมาโดนแล้วมันตาย มันมาโดนแล้วมันติดกับที่เราวางเอาไวา้หรือว่าเออพอมันมาโดนแล้วเราเห็นสร้างมันที่หลังอย่างเงี้ย อ, อมันตายแล้วเราก็ไม่ได้เจตนาที่จะฆ่ามันอันนี้ก็ถือว่า เ, เรื่องปานาติบาเนี่ยก็ไม่ได้ผิดศีลเพราะเราไม่ได้ตั้งเจตนาที่จะฆ่าไว้แต่เราตั้งเจตนาในการที่จะป้องกั น, ห, นรหรือว่าจะใช้เป็นกรงดักหนูก็ได้นะคุณินใจคือ ถ, <ร>ถ้าเราจะต้องการกําจัดมันออกไปเนี่ยเราก็มีกรงดักหนูแล้วก็ไปปล่อยที่อื่น ก็คือแต่ว่าปลัาอื่นี่ก็อย่าไปให้เบียดเบียนคนอื่นล่ะอืมเค่ะไม่ใช่จากบ้านเราไปปล่อยข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยเจ้า่ะแล้วในกรณีนี้ถ้าผมว่าเราจะคิดว่าเฮ้ยฉันวางแผ่นกาวดักเอาไว้นะโดยที่ไม่ได้คิดว่าจะฆ่ามันนะแผ่นกาวดักเอาไว้โดยที่ไม่ได้คิดว่าจะฆ่ามันแต่ถ้ามันมาติดเนี่ยมันตายหรือถ้ามันลอกไม่ออกเนี่ยมันก็จะตายเราก็จะหาวิธีทางอื่นที่ที่ป้องกนันแทนก็ไม่ต้องเอากาวดักหนึใช่ไหมคะหรือเอาอะไรแหลมแหลมหรือเอาอะไรที่มัน เป็นตะข่ายมาบังเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยป้องกันไม่ให้มันเข้ามาใช่ฉะนั้นมคิดว่าจะมีประสิทธิภาพดีกว่าใช้กาวด้วยเพราะว่ากาวเนี่ยมันไม่ได้สามารถทาได้โดยรอบมันมันจะไม่ได้ป้องกันได้ดีเท่ากับตะข่ายนะถ้าในในกรณีอย่างนี้นะคิดว่ายังก็คือพยายามคิดหาหนทางที่จะอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีใช่ไหมเจ้าคะใช่ช่ด้วยวิธีที่ว่าสามารถป้องกันได้โดยที่ว่า อไม่ต้องทําให้เขาตายด้วยอย่างนี้ก็จะน่าจะดีขึ้นถูกต้องอันนี้คือเราก็จะหลีกเลี่ยงบาปที่จะเกิดขึ้นค่ะหรือหรืออีกวิธีหนึ่งเราใช้การเจริญเมตตาภาวนาในเรื่นี้เป็นเป็นเรื่องของนามธรรมต่เรื่องของจิตใจค่ะเราก็แผ่เมตตาให้หนูะอเจ้าค่ะแคือมันอาจจะดีขึ้นมันอาจจะดีขึ้นแต่หลายๆคนก็เคยแผ่เมตตาให้มดจากที่มันจะต้องมาอยู่ในกุฏิในห้องเราอย่างที่วัดอย่างเงี้ยบางทีมดก็ขึ้น โปร ก, ก็ขึ้นไนที่ไปเข้าไปอยู่ในกุฏิเลยก็ไม่อยากจะกวาดทําร้ายมันก็เอาแผ่เมตตาให้แล้วก็เดินออกไปอย่างเงี้ยกับมาบางทีมันก็หายไปแล้วอย่างนี้ก็เคยเกิดขึ้นก็มีอืจคือพอคนที่เจริญเมตตาภาวนาอยู่เรื่อยเราแผ่เมตตาไปในบ้านเราอย่างเงี้ยทั้งหมดใช่ไหมให้คนที่อยู่อาศัยอยู่ในบ้านเนี่ยมีความสุขมีความรักความเมตตาซึ่งกันและกันเนี่ยก็จะเป็นที่รักของมนุษย์เป็นที่รักของอาหมนุษย์ห น, นูนี่ก็เป็นอามนุษย์อย่างหนึ่ง นี่ว่ามันอาจจะหนาหน่อยมัน จ, จะมีโมหะมากมันเลยเป็นหนูแต่ถ้าเป็นามนุษย์ประเภทเทวดาแล้วก็มีบุญสูงหน่อยอาจจะฟังกันรู้เรื่องหน่อยแต่ถ้าหนูอาจจะต้องอาจจะฟังกันไม่รู้เรื่องอาจจะต้องใช้ความพยายามมากหน่อยนะโดยความที่มันเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ทําก็อาจจะมีผลเกิดขึ้นได้อืมจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาฟังมาถึงตรงนี้นิยมอืมมีเรื่องอ่าจะขอถามแทรกนะเจ้าค่ะว่า เรื่องของการแผ่มเมตตาเนี่ยเจ้าค่ะยมคิดว่ามีประสบการณ์ว่าใช้ได้ผลจริงๆนะเจ้าค่ะจากเอ่ยยมเคยอ่านหนังสือว่าเขาบอกบางทีเราเจ็บไข้ตรงไหนหรือเจ็บปวดตรงนั้นตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นมีเจ้ากรรมนายเวรหรืออะไรสักอย่างเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นทําให้เราปวดแล้วถ้าเราแผ่มเมตตาไปตรงนั้นนะเจ้าค่ะหรือให้เชื้อโลกตรงนั้นเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะได้รับบุญแล้วก็พบภูมิเขาก็จะสูงขึ้นมันก็จะหายอันนี้ยมเคยทํา แล้วได้ผลจริงๆเจ้าค่ะโยมเจ็บขาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็จะต้องไปทํางานแล้วก็ในในพิธีสําคัญด้วยอย่างเงี้ยโยมก็แผ่เมตตาไปที่ขาที่ว่าเจ็บนะเจ้าค่ะซึ่งมันจะใส่ส้นสูงไม่ได้เลยใส่รองเท้าไม่ได้เดินในบ้านเนี่ยแล้วโยมก็แผ่เมตตาไปบอกว่าเออแบบขอให้แบบมอบกุศลที่โยมทํามาให้เขาแล้วก็ขอให้เขาได้รับบุญกุศลแล้วก็ทําให้หายอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันหายจริงๆเจ้าค่ะอื ม่าแปลกมากเลยแล้วไม่ใช่ใช้เวลานานด้วยนะเจ้าค่ะก็แค่ว่าผ่าแม่ตาไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวแป๊บเดียวก็ก็ใส่รองเท้าเดินไปได้เลยเจ้าค่ะเดินไปได้ทั้งวันหายเจ็บเลยซึ่งถ้ามันเป็นเหตุตรงนั้นแล้วก็ก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้เรื่องของของตรงนี้ถ้าเผื่อว่าเป็นการเบียดเบียนกันในลักษณะนี้นะคือเหตุของการเจ็บปวดเนี่ยมันมีหลายอย่างคุณเดินใจอาจจะเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศก็เป็นไปได้ อาจจะเป็นเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บจริงๆหรืออาจจะเป็นคนมาแกล้งเราแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นกรณีที่ว่ามีคนมาแกล้งเราอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรามองไม่เห็นใช่ไหมแล้วเราจเจริญเมตตาภาวนาไปเอาสิ่งนั้นเขาได้ที่เขามาแกล้งเราเนี่ยเขาได้รับบุญกุศลแล้วเขาก็<น>เออเขาก็ เ, าเลิกแกล้งแต่ถ้าถ้าเป็นกรณีเหตุนี้มั จ, จะหายเจ็บได้แต่นี้ถ้าผมว่ามันก็จะเป็นกรณีที่ว่าร่างกายของเราแก่ลงชาราลงใช่ไ้มแผลเมตตาไงมันก็ไม่หายเนี่ย มันก็อาจจะมีกรณีนี้ด้วยนะอันนี้คือคต้องต้องให้ท่านผู้ฟังเข้าใจด้วยว่ามันก็จะมีหลายเคสหลายกรณีค่ะแต่โดยทัวๆไปโดยทัวๆไปถึงแม้ร่างกายของเราเองก็ตามเราก็จะไม่เบียดเบียนคือจะมีความ เ, าเป็นที่รักของมนุษย์ของอมนุษยน์นี่คืออันนี้ส่งของการเจริญเมตตาภาวนาอืมอซึ่งซึ่งมาถึงเรื่องของการเจริญเมตตาภาวนาตรงนี้นิดนึงที่เราจะมีความคิดว่าเหมือนกับเราเราแผ่ความเมตตาไปเนี่ย คือนี้ต้องทําความเข้าใจนิดนึงว่าจริงๆเราแผ่จิตของเราไปเลยทั้งจิตไปเลยนะคือคําศัพท์ที่พระเจ้าใช้เนี่ยคือคำว่ามหากตะคือทําจิตให้กว้างขวางไปเลยนะทำจิตเนี่ยให้เอาทั้งจิตเนี่ยแผ่ไปเลยเอาทั้งจิตเนี่ยไปด้วยเลยขยายจิตไปให้มีความรักความเมตตาในสิ่งนั้นนะเหมือนสิ่งนั้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของจิตของเรานะเราแผ่ไปเลยแต่คือไม่ใช่ว่าแผ่เมตตาไปนะแต่แผ่จิตไปเลยจุคาเนี่ยมันอันนี้คือจะทําได้ผลสาธุจุคะ ก็มาถึงคำถามของท่านที่สองดีกว่านะเจ้าค่ะซึ่งก็คล้ายๆกันเจ้าค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเบียดเบียนสัตว์นี่แหละนะเจ้าคะ่ะก็คือของคุณเอกพลเจ้าคะ่ะได้กราบน้ำพรสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาภัยบณ์อภิปุโนมาบอกว่ามีข้อสงสัยคำถามก็คือว่าสำหรับบุคคลที่มีอาชีพเกษตรกรรมคือต้องอทำการ ไถพลวนดินขุดดินอะไรต่างๆนะเจ้าคะท้งนี้เพื่อที่จะเอาน้ำเข้าแปลงนาหรือว่าพืชสวนถากถางต้นหญ้าต้นไม้อะไรต่างๆเนี่ยเจ้าคะ่ะซึ่งกิจกรรมตามขั้นตอนที่เราเตรียมดินขุดไถพลวนดินเนี่ยเจ้าคะ่ะก็อาจจะเป็นเหตุที่ทำให้ สัต์เล็กๆน้อยๆที่มันอยู่ตามดินตามอะไรเนี่ยเจ้าคะ่ะ ม, มันเกิดเจ็บตายไปก็เหมือนกับไปเบียดเบียนที่อยู่ของสัตว์อที่เขาอยู่ต่างแถบนั้นนะเจ้าคะ ใ, ในขณะที่บุคคลนั้นเนี่ยมีศรัทธาอันไม่หวั่นไหวในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ ม, มีการรักษาศีลปฏิบัติธรรมอเป็นบุคคลที่มีอาชีพเกษตรกรรมเนี่ยจะสามารถที่จะบรรลุธรรม เป็นอริยะบุคคลได้หรือไม่เจ้าค่ ะ, ะที่ถามมาอย่างนี้เพราะว่าเขาจะต้องทำจิตหรือว่าวางจิตอย่างไรในขณะที่กระทำการงานก็คือไปอขุดไถดินพรวดดินเอาน้ำข้าวนาอะไรนี้เจ้าค่ะซึ่งอาจจะปีเว็ดเบียนสัตว์เล็กๆซึ่งซึ่งเขาอาจจะต้องเจ็บตายไปเพรา ะ, ราะการกระทำต่างๆเหลา่า น, น, นั้นเจ้าค่ะรวมทั้งได้ถามมาด้วยว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ย อาชีพบุคคลที่มีอาชีพทางด้านเกษตรกรรมนะเจ้าคะ่ะมีในพระสู่ที่เกี่ยวข้องบ้างหรือไม่เจ้าค่ะอยากอาจารย์เล่าให้ฟังนิมนต์เลยเจ้าค่ะมีเยอะแยะเลยคุณใจที่เป็นคารวาสเนี่ยมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นโสดาบันเป็นสกัตตาคามีมีนีมีนะมมแน่นอนอแล้วก็มีเยอะด้วยนะีไม่ใช่ร้อยเดียวไม่ใช่200แต่มีมากกว่านั้นมากนะนะ<ช>หรือว่าทำอาชีพอื่นนะที่ไม่ใช่เกษตรกรรมค้าขายนี้เราก็ ก็เห็นเ อ, อยู่ก็มีนะทีนี้ประเด็นก็คือว่าเอ๊ะถ้าทำอย่างเงี้ยมันฆ่าสัตวนะ์แน่นะสัตว์ตายแน่เอ๊ะแล้วทำไมถึงว่ายังบรรลุธรรมได้แต่เพราะตรงนี้คือเป็นประเด็นที่ว่าปานาธิบาเนี่คือสัตว์ที่มีปรานนะสัตว์ที่มีปรานสัตว์ที่ก็มีลมหายใจมีลมหายใจใช่ใช่มีลมหายใจลในขณะที่ว่ามีปอดนะปอดนี่จะเป็นปอดปียกหรือปอดแห้งก็ก็แล้วแต่ทีนี้เคยมีนิทานธรรมบทอยู่เรื่องหนึ่งในงที่พูดถึงว่าผู้หญิงคนหนึ่ง ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโสบน ต, ต บ, สบันตั้งแต่เล็กๆแต่เป็นโสตบันตั้งแต่เล็กแล้วก็ไปแต่างงานกับนายพราน น, นายพรานน า, รา น, นายพรานนี่ก็ต้องไปล่าสัตว์นะครูเตือนใจ<ช>ไป<ะ>จับเก่งจับกว้างจับสัตว์ดักสัตว์ใช้ลูกธนูแผลหรือว่าเครื่องดักต่างๆแต่คนนี้ผู้หญิงคนนี้เขาเป็นโสาบันนะมีความที่จะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เบืเพื่อผิดในการเป็นธรรมดาศีนหน้ารักษาได้ใช่ไหมทีนี้เขาไปอยู่ในอย่างนั้นเนี่ยอยู่กับนายพรานอย่างนี้ เ, เขาก็มาอยู่กันได้ไงก็เรื่องของกรรมของขที่เขาทํากันมาแต่ทีนี้ด้วยความที่เป็นภรรยาเดก็ต้องเตรียมธนูให้สามีบ้างเตรียมเครื่องดักให้สามีบ้างเตรียมแหบ้างเตรียมตาข่ายให้สามีบ้างเพื่อที่จะไปดักสัตว์ไปฆ่าสัตว์ก็คืออุปกรณ์อุาชีพว่าอย่างนั้นเถอะอ้อาว<า>ทำไมโสดาบันยังฆ่าสัตว์ได้อ่ะซึ่งรเรื่องราวตรงนี้ปปุจชาอธิบายไว้อย่างนี้คุณเตจัยบอกว่าจิตของผู้หญิงคนเนี้เด็กที่เขาเป็นโสดาบันเนี่ย เขาเอาเครื่องมืออะไรต่างๆเครื่องดักสัตว์ถนวยให้สามีเนี่ยด้วยจิตที่คิดว่าไอ้ฉันเป็นภร Hi นรยาฉันก็ต้องทําหน้าที่ของภรรยาในดยการที่บํารุงสามีดูแลสามีให้ดีเครื่องมือเครื่องไม้ก็จัดการเก็บข้าวเก็บของอะไรให้ดีอันนี้เป็นหน้าที่ของภรรยาในดยจิตนั้น <จบ S 2> ไม่ได้มีความคิดว่าจะไปฆ่าสัตว์ใะไม่ได้มีความคิดว่าจะไปเบียดเบียนสัตว์ในไม่ได้คิดอย่างน mm ั้นอุปมาประไมยที่พระเจ้ายกขึ้นเพื่อเปรียบเทียบเนี่ยเหมือนกับว่าความือของเราที่ไม่มีแผล แล้วก็ถ้ามียาพิษมาอยู่บนอุ้งมือเนี่ยมือที่มันไม่มีแผลมียาพิษอยู่บนอุ้งมือเนี่ยยาพิษนั้นมันก็ไม่ทําอันตรายกับร่างกายของเราได้เพราะวา่าไปในร่างกายไม่ได้ใช่ใช่ใช่เหมือนอ่งเชื้ออีโบล่าอย่างเงียง้ยนะเชื้ออีโบลาเนี่ยนะมันไม่ได้ไปทางอากาศไดนะ้มันไม่ได้แตะตัวกันแล้วมันจะติดกันได้แต่คุณต้องมีแผลแล้วเชื้อเนี่ยเข้าไปในแผลตรงนั้นนะหรือว่าถูกสารคัดหลั่งจากคนที่มีเชื้ออีโบลา แล้วเราก็เรามีแผลมันเข้าไปตรงนั้นปุ๊บคุณก็จะติดเชื้อทันทีแต่ถ้าผิวหนังเราเรียบผิวหนังเราไม่มีแผลแลต่ตอให้คุณจับมือเช็คแฮนกับคนที่เป็นอีโบลาหรือกอดกันโดยที่ไม่ได้มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่มันจะไปรับสารของเขามาเนี่ยมันก็ไม่ไม่เป็นอะไรไม่ติดเชื้อมาเจ้าค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างที่บระพุทธเายกให้ฟังนะว่าอยู่ที่จิตใจนั่นเองอยู่ที่จิตใจว่าจิตใจของเราตอนนั้นนะคิดที่จะเปลียเบียนมันหรือไม่ อันนั้นคือนิทานธรรมบทที่มีมาในเรื่องของตรงนี้อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเป็นพุทธพจน์อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลจริงๆก็คือว่าตอนนั้นมีข้าวยากหมักแพงนะอาหารหายากมากพนะระุูปเจ้าก็ไปจำบรรษาอยู่ที่ที่หนึ่งเป็นเมืองที่อาหารายากในปีนั้นเนี่ยแล้วก็ปรากฏว่าภิกษุนี่ก็ต้องไปกินข้าวแกลบตามที่คนเขาเลี้ยงมาแล้วเขาเหลือเอาไว้อย่างเงี้ยนะ ท่านพระมหาโมคลณนะก็เลยออกไอเดียนะบอกว่าถ้า่างนั้นก็จะพาหมู่ภิสษุน์เนี่ยไปที่อีกนิคมหนึ่งนะด้วยการใช้ริดห่อไปนะเพราะว่าถ้าเดินไปมันไปเช้ากลับมาไม่ทันเนี่ยก็ใช้เครื่องริดห่อไปไปบินทาบาทเพื่อที่จะมาฉันกันไหนๆเราจะอยู่จําปรรษาในในที่นี้พระเจ้าบอกอย่าทําเลยอย่าใช้ริดเลยเอาถ้าอย่างนั้นนะท่านพระมหาโมคลานะบอกว่าใต้ดินตรงเนี้ยนะมีง้วนดินอยู่มีง้วนดินอยู่ เนี่ยจะเอาง้วนดินตรงเนี้ยเอามือพลิกฝ่ามือขึ้นเพื่อที่จะเอาง้วนดินมากินเนี่ยเอามาให้ภิกษุต่างๆเนี่ยทำได้ไหมพระพุทธเจ้าก็ถามว่าอ้อาวแล้วสัตว์ที่อยู่ในดินจะทํายังไงท่านพระหมหาโมคระนะเขบอกว่างั้นจะเอามือหนึ่งเนี่ยให้สัตว์ที่อยู่ในดินเะนี่ยออกมาก่อนออกมาอยู่ในมือหนึ่งก่อนเราอีกมือหนึ่งพลิกฝ่ามือพลิกดินขึ้นมาไปถึงชั้นดินตรงนี้มันจะมีง้วนดินเราค่อยเอาง้นดินมากินเนี่ยคือพระพุทธเาก็ยังห่วงสัตว์ที่อยู่ในดินนะ เจเลยจึงๆถามท่านพระมหาโมคโรนะในตรงนี้แต่ว่าในที่นั้นก็ไม่ได้อนุ ญ, ญาตให้ใช้ฤทธิ์ธรรมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อวัดปฏิบัติของพระาปในอีกเรื่องหนึ่งนี่คือคเรื่องที่สองอส่วนเรื่องที่สามที่เกี่ยวข้องตรงนี้ก็เป็นในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะพระพุทธเจ้ากัสสปะเนี่ยมีสาวกคนหนึ่งเป็นคารวาสเป็นนายช่างหม่อนายช่างหม่อชื่อว่าคติการะ นายช่างหมอ้อคนเนี้ยเวลาเขาปั้นหมอ้อเนี่ยเขามีความคิดในเรื่องที่ว่าถ้าเขาไปขุดดินมาปั้นหมอ้อใช่ไหมแหม่ดินนี้มันจะต้องมีสัตว์อยู่เขาก็จะเบียดเปลี่ยนสัตว์เขาก็เลยไปเอาดินเนี่ยจากริมฝั่งแม่น้ําริมตะลิงเนี่ที่น้ําเนี่ยมันซ้อตะลิงแล้วตกลงนะไปเก็บดินตรงนั้นมามเพื่อที่จ ะ, จะมาปั้นหมอ้อเพราะดินตรงนั้นเนี่ยพอน้ํำซ้อตะลิงให้มันพังลงใช่ไหม เอาดินตรงนั้นมาเนี่ยเป็นดินที่ตกลงใหม่ๆเนี่ยสารมันไม่มีอยู่ยละไม่มีสารอยู่นีมมนไม่ได้ต้องเอาเจอะไอเสียมไปขุดนีไม่ได้มีสารอะไรต้องมาตายนีก็เอาดินตรงนั้นเนี่ยมาปั้นหม้อหรือว่าเอาดินที่เขาขุดไว้แล้วนีขุดออกมาแล้วเอาไปเก็บดินตรงนั้นตรงนี้มาโดยที่ตัวเองไม่ได้ไปขุดเองอันนี้ก็เพื่อที่จะรักษาสีของตัวเองให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนีอันนี้คือเป็นตัวอย่างที่แบบว่าอี ก, อกระดับหนึ่งอีกระดับหนึ่งในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะ เรื่องของนายช่างเมาคนนี้ก็มีอืใช่ค่ะทีนี้มันอยู่ที่เจตนาของเราทนั้นเองแต่แน่นอนว่าในสมัยก่อนพวกคนที่ทำอาชีพเกษตรกรรมที่เขาบรรลุทำขั้นสูงหมายว่าบรรลุโสดาบันเนี่ยก็มีอยู่แต่แล้วพอเราเห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารมากมีการออกบวชปฏิบัติอย่างจริงจั ง, จงอา้าวพอออกบวชแล้วมันก็ไม่ได้ทําเรื่องพวกนี้ละหรือแม้แต่พระสงฆ์เนี่ยทําไมพระพุทธเจ้าถึงห้ามพระสงฆ์ไปขุดดินนั่นก็เพราะว่า มีพระกลุ่มหนึ่งไปขุดดินมาก่อนอมีขุดดินปุ๊บคนก็มาโจยกันแล้วอา้าวขุดดินมันส่ก็ตายสิพระพระเจ้าก็เลยบัญญัติว่างั้นพระห้ามขุดดินนะห้ามตัดต้นไม้ห้ามขุดดินห้ามทําะไรพวกสิ่งที่มันจะเป็นพืชเนี่ยให้มันขาดตกลงเนะี่ยมันก็ไม่ดีอืมเจ้าค่ะก็เป็นข้อวัดที่พระพองค์ได้อ่าบัญญัติขึ้นนะเจ้าค่ะใช่ใช่เจ้าค่ ะ, ะสิ่งที่เราควรจะต้องรักษาให้ดีนะคือถ้าเราจะไปกังวล ถึงขนาดว่าโอ้ยงั้นฉันเขาทำอะไรไม่ได้เลย<จ>น ะ, ะมันก็จะเป็นกขเรียกว่าสีละพัตรปรมาส์นะสีละพัตรปรมาสนี่ก็คือหมายถึงการรูปครามศีลและโพสอย่างผิดๆอย่างผิดๆคือทําแบบมันมันมันไม่ถูกจุดอ่ะเหมือน<ำ>เข้าใจผิดไปลักษณะว่าเข้าใจผิดไปนะทำให้ไม่ไม่ถูกจุดประสงค์นะจุดประสงค์ของคําว่าศีนเนี่ยคือหมายว่าทําอยู่เป็นปกตินะเป็นชีวิตปกตินะรากศัพท์เนี่ยเขามีจะมีคําว่ามีปัจจัยของคำว่าปกติอยู่ ในคำว่ศีลเพราะนั้นเราก็รักษาชีวิตของเราให้เป็นปกตินะครับมาปกติในที่นี้ก็คือทําอยู่เป็นประจำการทาอยู่เป็นประจําเราไม่ได้จงใจที่จะไปฆ่าสัตว์อยู่เป็นประจำเนีไม่ได้ทําอย่างนั้นแต่เราก็ทําอาชีพเกษตรกรรมกองเราไปแต่เราก็ต้องไม่ต้องการฆ่าสัตว์น่ยเราก็เลยมากินพืชแทนอย่างเงี้ยเข้าใจไหม<ช>เพราะากินพืชก็ต้องปลูกพืชสิเอาปลูกพืชก็ต้องขุดเดินนะสิเอาก็ยังก็มีการเบียดเบียนสัตว์ที่ยังน้อยกว่าที่จะต้องไปฆ่ามัน อืมเจ้าค่ะนี่ก็เราก็พิจารณาตรงนี้ได้นะแล้วก็ทําอย่างนี้เป็นปกติทําอย่างนี้เป็นปกติเป็นชีวิตของเราเป็นไลฟ์สไตล์ของเราจะเป็นการดําเนินชีวิตของเราอย่างเงี้ยมันก็จะดีเป็นปกติแล้วเราก็รักษาความเป็นปกติข้อนี้ให้ได้อืมเจ้าค่ะคือจุดสําคัญก็อยู่ที่จิตของเรามากกว่านะเจ้าค่ะว่าคิดจะไปเบียดเบียนเข้าไหมหรือว่าทําไปเนี่ยก็ด้วยจิตที่ว่าเพราะมันเป็นอาชีพของเรา เขาก็เลยจําเป็นที่จะต้องทําถูกไหมเจ้าคะใช่ใชอืมเจ้าคะ่ะอันนี้ก็เป็นแง่คิดที่ดีมากๆเลยทีนี้โยมอยากขอความเมตตาในสอสามนาทีสุดท้ายของรายการธรรมารัตน์ของเราในเช้าวันอาทิตย์เนี่ยเจ้าคะ่ะพระอาจารย์ช่วยเมตตาสรุปอีกทีได้ไหมเจ้าคะในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเบียดเบียนโดยที่เราจะต้องอมีอาชีพตรงนี้แหละตั้งแต่เรื่องแรกที่คุณทุวิตถามมาแล้วก็เรื่องที่สองนี้ที่คุณ เอกพลได้ได้ถามมาเนี่ยเจ้าค่ะสรุปพยมสักนิดเถอดเจ้าค่ะเมตตาด้วยเจ้าค่ะก่าทูเจ้าค่ะก็คือเรื่องของเจตนานะเจตนานี้สําคัญนะว่าถ้าเราไม่ได้มีเจตนาไปการที่จะเบียดเบียนมันไม่ได้มีเจตนาจะฆ่ามันนะการที่เราไม่มีเจตนาตรงนั้นอันนั้นคือการที่เรารักษาข้อปฏิบัติข้อที่เป็นปกติอย่างนี้ได้นะนี่คือสิ่งที่ดีในเรื่องของการปฏิบัติแตนี้ปฏิบัติเนี่ยก็ต้อง ดูให้ดีว่าปานาทิบาเนี่ยคือสัตว์พวกที่มีปรานเคือถ้าไม่งั้นเนี่ยเราหายใจเข้าหายใจออกหรือว่าถ่ายอุจจาระออกมาอเงี้ยพวกจุดเด่ีย์ในท่อมันก็ตายนะหรือหายใจเข้าหายใจออกบางทีก็มีสิ่งมีชีวิตอยู่ในอากาศเราหายใจเข้าไปมันไปโดนพวกอะไรกลไกของต่างๆในร่างกายเนี่ยมันก็ตายเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันไม่ใช่ปานาทิบาแล้วมันไม่ใช่สัตว์ที่มีปรานเด็ดเราก็ต้องดูให้ดีพิจารณาให้ดีเพราะไมงั้นเราจะปฏิบัติอะไรไม่ได้เลย จะเดินไปไหนเอาเดี๋ยวเหยียบเชื้อโรคตายมันจะไปยังไงเนี่ยใช่ไหม <c oughs> มันก็ต้องมันก็ต้องมีระดับหนึ่งนะระดับหนึ่ง <c oughs> ทีนี้ <c oughs> ถัดมาประเด็นที่ส <c oughs> ก็คือว่าเรารักษาความเป็นปกตินี้ให้ได้นะว่าชีวิตของเราเนี่ยให้อยู่เป็นปกติอย่างนี้โดยที่ว่าให้มันเป็นธรรมชาติไป น, นี่้อที่สแล้วข้อที่4ี่ <c oughs> เนี่ยคือถ้าผมว่าเราทําเป็นปกติได้แล้วเราก็ควรจะระวังในเรื่องของอาชีพของเราในะอาชีพของเราสมมุติว่าถ้าเราทำกเกษตรกรรม นะเราก็จะต้องไม่พูดโกหกไม่พูดหลอกลวงไม่พูดล่อล่าด้วยลาบไม่เอาของมีค่าน้อยต่อของมีค่ามากเพราะว่าถ้าเราทําอย่างนั้นมันก็จะไปผิดมิจฉาอาชีวะแต่ถ้าเราไม่ทําอย่างนั้นนโดยการที่ไม่ล่อล่าด้วยลาบไม่พูดโกหกไม่เอาของมีค่าน้อยต่อของมีค่ามากเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะรักษาสมาชีวะได้ด้วยนัะ <Okay. S 1> คืออย่างกรณีของนายช่างหม้อที่มาพูดเมสกรุนเนี่ยนะถึงขนาดว่าเขาไม่เอาดินที่มันมีสัตว์อยู่อะไปเอาดินตามที่ตกตะลิง ที่ตะลิงมันถล่มลงอย่างเงี้ยโอ้เสียงเขาบริสุทธิ์มากเลยในข้อข้อที่หนึ่งนะไม่ฆ่าสัตว์แน่นอนแต่ถ้าสมมติเขาปั้นหม้อแล้วเอาม้อมาขายนะ่ยพูดโกหกมีการล่อล่ำด้วยลาบอย่างนี้การอาชีพของเขาตรงนั้นก็ไม่บริสุทธิ์แต่ว่าเขาก็ทําให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนด้วยนะี่ยไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องของการไม่ฆ่าสัตว์นะ่ยไม่ได้มีเจตนาฆ่าสัตว์แต่ยังรวมถึงเรื่องของการรักษาอาชีวะนะการทําอาชีพของเขานะ่ยให้ให้มันถูกเรื่องของสมาอาชีวะด้วยอืมเจ้าคนะ นสการอขอพระคุณพระอาจารย์พระมหาภัยบุอ์อภิพุโนเป็นอย่างสูงยิ่งนะเจ้าคา่ะที่ได้เมตตาที่จะสักษาตอบปัญหาของท่านผู้ฟังทางบ้านสองท่านที่เขียนถามกันมาในเช้าวันอาทิตย์นี้นะเจ้าคา่ะยมเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่ได้ประโยชน์ความรู้แล้วก็สามารถที่จะนำสิ่งที่พระอาจารย์ได้สักษาหรือว่าพูดคุยในช้าวันนี้เนี่ยไปเป็นแง่คิด ในชีวิตของตัวเองได้เป็นอย่างดีทีเดียวเจ้าค่ะก็ถึงเวลาที่โยมจะขออนุญาตที่จะนำท่านผูงทางบ้านทุกท่านที่เป็นแฟนรายการธรรมรัารุณกลาบขอบพระคุณและกลาบน้ำสการลาพระเดชพระคุณอ่าด็อเตอร์สะอาดที่โตภาโซหรือท่านพระคูณสิทธิ์ทปรภากรท่านเจ้าอาวาสนะเจ้าค่ะรวมทั้งพระอาจารย์พระมหาบบุญอภิปุโนที่เป็นองค์ป่าทกประจารายการธรรมรัรุณ และเป็นพระอาจารย์ที่เป็นผู้มาให้ความรู้แก่เราในเช้าวันอาทิตย์นี้ใจรายการธรรมรับร์นะเจ้าคะ่ะขอกราบขอพระคุณและกราบนรมัสการาเจ้าคะ่ะเชี่ยมพันสาธุาเจ้าคะ่ะ